บรรดาวันนี้เป็นวันที่ 22 เมษายน 2521 เวลา 9 น. 52 ก็ยังพัก 8 อำเภอโตษง ได้มีเวลา 2520 เยื่อวันนี้ตอนเช้าเห็นว่าพอมีเวลา ปรากฏว่าหลังจากตื่นนอน ปรากฏประวัติทั้งปัจจุบันไล่ปัจจุบัน แล้วก็สําหรับด่านที่ ดังนี้ไม่ใช่ว่าเป็น ก็เพราะๆเป็นเขตของๆแล้ว จะถือว่าตามประวัติศาสตร์บอกว่าคน อยู่แถวประเทศจีนสืบไปจากเขตเดิม อายะก้าวกันไปทีก็เรียก แต่ว่าคนไทยท่านกล่าวว่าที่ ต่อมาก็มาตั้งถิ่นฐาน หลังจากกลุ่มกลุ่มน้อย ก็ยืนอำนาจลงคือหลัง มีกำลังใหญ่สามารถจะ ในเขตของทวารอ่าในเขต นั่นก็เมืองนครสวรรค์เป็นด่านของสุโขทัย สันบุรีนี้เดิมทีก็เป็นเมือง แต่ว่าเป็นเมืองใหญ่ทราบ เป็นอันว่ากษัตริย์ในสมัยนั้น แล้วก็สัตว์คือพ่อค้านํา เมื่อเห็นวัดท่าช้างและ เรื่องคึ้มหลายเสือคำว่าเสือเสีย คนที่มีชื่อในประวัติศาสตร์ที่มีชื่อในประวัติศาสตร์เวลา เป็นคนที่ชาวบ้านรักแต่ดุ มีความเปลี่ยนแปลงเป็นในทำกลางแล้วก็มีการตกสลาย จงจำไว้อย่าถือสัญลักษณ์แห่งร่างกาย เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นทุกข์อย่าง การที่จะไปนิพพานได้ และปฏิบัติแบบไหนเวลานี้เอา เองก็มีความยิ่งใหญ่ในเขตของสุพรรณบุรีคือตอนอำเภอดื่มบางอย่างยิ่งเสือฝ้ายเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็เป็นโจรร้ายแต่ความจริงเสือฝ้ายไม่ใช่โจรร้ายนิสัยเด่นของเสือฝ้ายเป็นคนดีเป็นคนธรรมะธรรมโมดูเหมือนว่าจะเป็นผู้บ้านและก็เป็นผู้ที่ดี ตามประวัติเขาเล่าให้ฟัง ไล่King ครับผู้ใหญ่ฝ้ายเปอร์เซ็นต์ในที่ ไอ้คนมีใจจิตใจ ใครจะมาคมแสงเสีย เวลานี้หลายคนก็ไม่ <c oughs> เขาทำดีแต่คนอื่นทำร้ายเข ต่อมาการเดินทางจากอันเผอเดิมวาง เขาเข้ามาถึงอันเผอUSTIN當 Aladdin ถว Kelsey 36 ลุ่มทั้งหลายชอบมาครัวเคลียร์อยู่ แต่เขาเหล่านี้ยังมีลูก เขตสามชุกก็เป็นเขตที่ต้องคิดอันตราย <c oughs> มีความสําคัญมากดูดู บุคคลคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็เรียก ยatra ทัพมาทํายุทธหัตถีกับ ได้เรื่องของพระนเรศวรมหาราช <c oughs> <c oughs> <ME> แต่ว่าดำกวยคนหนึ่งซึ่ง แต่ที่ทําเจดีย์ 80 บาทแผ่ เป็นถามท่านว่าที่ 60ตต15ก10 หรือ 6 10 บริเวณนั้นจะเป็นบริเวณรบ ว่าจริงด้วยการเชื่อในที่นี้ถ้าเชื่อ <c oughs> ความสามารถของฝ่ายวิทยาศาสตร์มีมาก ฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งไม่ใช่คนคนเดียวตกเห็นวัด <c oughs> ขุนช้างท่านเป็นเทวดา เออๆธรรมดาๆ ก็อยากจะทราบว่าๆเรื่อง ไม่เคยมีๆ ถ้าปรารถนาจะฆ่าผมก็ตายแล้วอย่างผม 30 นาที ลู่รักขอฟัง